เชื่อว่าพระองค์เนี่ยให้หมูสัตว์เนี่ยตรัสรู้เพราะเป็นพระสัพพันยอยู่เพราะเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงเพราะไม่มีผู้เสม อ, อนะผู้เห็นธรรมทั้งปวงเพราะไม่มีผู้อื่นแนะนำเพราะองค์เนี่ยไม่ได้มีผู้อื่นแนะนำพระองค์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้สิ้นอาสวะเป็นผู้ไม่มีอุปกิเลสเป็นผู้ปราศจากราคาปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากกิเลสโดยส่วนเดียว เสด็จไปตามเอกายน ม, มักคือโพธิปักหยธรรมเนี่ยนะหรือว่าเพราะอัถิว่าเป็นผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนีก็คือตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นนั่นเองชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเว้นจากความไม่รู้เพราะได้เฉพาะซึ่งความรู้เนี่ยนะอันคําว่าพุทธโธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมารดาพระบิดาพระพี่พระน้องมิตรอมาตย่าสาโลหิต ส, สมณะพราหมณ์เทวดามิได้เรียกให้ แต่คำว่าพระพุทธเจ้าพระพุโทโธเนี่ยเป็นวิโมกขันตินามคือมีเป็นชื่อที่มีในการบรรลุอรหัตเนี่ยนะอาศัยอรหัตตมรรคเนี่ยนะเป็นสัจจิกาบัญญัติคือเป็นบัญญัติที่เกิดจากการทําให้แจ้งอรหั ต, ตผลและทำทั้งปวงพร้อมด้วยการบรรลุพระสัพพัญยุตยานณควงแห่งโพลพึกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะคำว่าพุโทโธเนี่ยนะถ้าโดยสั์เฉยๆก็มีเนี่ย สุตตพุทธะได้นะรู้คือพุทโธ เ, เน้นที่รู้อริยสัจบางคนก็รู้อริยสัจเพราะฟังนี่นะนแล้วก็สุตะเฉยเยเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นสาวกก็คือผู้ที่ทํากิจในอริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าผู้ติตรัสรู้โดยลําพังก็เป็นพระประเจกถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะมันก็คําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เน้นการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะกำจัดสมุทยัยสัจละบาปละกิเลส ในขณะเดียวกันก็ช่วยแนะนําสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความอาศัยนี่นะพระองค์ไม่อาศัยคำ ว, ว่าอาศัยนี่คืออะไรก็อาศัยด้วยตัณหากับอาศัยเพราะทิฏฐินี่นะอาศัยด้วยตัณหาอาศัยด้วยทิฏฐิพระองค์นี้ไม่อาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิถามว่าอาศัยด้วยตัณหาเป็นอย่างไรก็คือวัตถุที่ทําให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกกําหนดถือเอากําหนดถือเอาว่าของเรา ด้วยส่วนแห่งตันหามีประมาณเท่าใดความยึดถือว่าของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านั้นว่าสิ่งนี้ของเราสิ่งนั้นของเราสิ่งสิ่งมีประมาณเท่านี้ของเราสิ่งของของเรามีประมาณเท่านี้รูปเสียงกลิ่นรสโภพภะเครื่องลาดเครื่องนุ่งหม่มพวกธาตุทาสีแพะแกะไกะ่สุกรช้างมา้าโคลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีแว่นแหว น, วนชนบทฉางคลังเนี่ยเป็นของเรา ก็ยึดนะถือไปหมดว่าเป็นของเราเนี่ยนะด้วยความยึดถือว่าเป็นของเราบางทีก็ยึดถือซึ่งแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้นด้วยแห่งสามารถแห่งตันหาตลอดจนถึงตันหาร้อยแนะฮะเรียกว่าความอาศัยด้วยตันหาตันหามันยึดหมดอ่ะถามดูว่าเออตรงไหนมั่งที่ตันหาไม่ยึดถือว่าของเราอ่ะนะไม่คนนี้ยึดว่ า, ข อ, าของเรากับคนโน้นเนี่ยยึดว่าของเราในสิ่งเดียวกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยด้วยอำนาจแห่งตันหา ทีนี้ต่อไปส่วนความอาศัยด้วยอํานาจทิฐิเนี่ยนะผู้ที่อาศัยด้วยทิฐิก็คือทิฐิสกายะทิฐิมีวัตถุยี่สิบเนี่ยนะมิชฉาทิฐิมีวัตถุสิบก็คือปฏิเสธการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยนะอันตักคาฮิกะทิฐิก็คือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดเป็นต้นนะนะหรือทิฐิปริยุทธฐานสิบแปดก็คือคตะทิฐิคตะนี่นะความรกคือทิฐิ กันดานคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิเครื่องประกอบคือทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดถือทางผิดคลองผิดความเป็นผิดลับที่เดรัจฉีการถือแสวงหาผิดการถือวิปริตถือวิปราตความถือผิดความถือว่าแน่นอนว่าจริงในสิ่งที่ไม่จริงนี่เรียกว่าทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิ62มีประมาณเท่าใดอย่างนี้เรียกว่าความอาศัยเพราะทิฏฐินะ ก็คือแบ่งเป็นสากายะทิฏฐิมีวัตถุ20มิชฌาทิฏฐิมีวัตถุ10อันตาคาหิกะทิฏฐิ10ทิฏฐิปริยุทธาน1 8ทิฏฐิ62นะนนับรวมกันนี่เท่าไหร่อนะี40อนะันน18บวก40บวก18ก็เป็นเท่าไหร่58บวก62 120นะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างแค่ทิที120เนี่ยนะโอ้โหทิทิมากมายเหลือเกินเนี่นะถ้าขยายอีกก็มากกว่านี้เยอะแยะไปหมดนะนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่120เนี่ยนะโอ้โหทิทีอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิทิลองถามดูนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพเป็นต้นเนี่ยนะอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิทีมันทิทนจะมีมากขนาดไหนถามเมื่อง่ายๆว่าหลักวิชาการในโลกเนี่ยมีเท่าไหร่ โอ้โหหาที่สุดไม่ได้แล้ววิชาเหล่านั้นนะ่ะบอกได้ไหมว่าไม่เจือด้วยทิฏฐิเนี่ยนะไม่เจือด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะโอ้โหท้ทิฏฐิจะน่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยซะส่วนใหญ่เนี่นะพันนี้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละความอาศัยด้วยตันหาสละคืนความอาศัยด้วยทิฏฐิ เพราะทรงละความอาศัยด้วยตัญหาสละคืนความอาศัยด้วยทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่อาศัยไม่อิงอาศัยไม่ผัวพันไม่เข้าถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจถึงเป็นผู้ทรงออกไปสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องซึ่งจักสุโปรงนั้นไม่เกี่ยวข้อง ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะไม่เกี่ยวข้องในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุกจีวอนบินธบาเสนาสนักกีฬานปัจจัยเพศศัพบริขารนะไม่เกี่ยวข้องในการมธาตุรูปประธาต์อรูประธาต์ในการมพบรูปประพบอรูปประพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพเอกวโการพบจตุโการพบปัญจวการพบ ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีจิตเนี่ยปราศจากแดนกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ไม่อาศัยนะก็คือไม่อาศัยตัณหาไม่อาศัยทิฏฐิในทุกอารมณ์เลยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกไม่ว่าจะโลกธรรมฝ่ายดีปัจจัย4พสาเป็นต้นเนี่ยไม่มีการยึดถือแม้แต่สิ่งเดียวนะ คือไม่ยึดถือไม่อาศัยด้วยอำนาจตันหาและทิฐิเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ไม่รู้พระองค์รู้แต่พระองค์ไม่มีกิเลสในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยนะพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้คงที่เนี่ยนะผู้คงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่โดยอาการห้าคือเป็นผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิถารมหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วหนึ่งเป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วหนึ่ง เป็นผู้คงที่เพราะพ้นแล้วหนึ่งเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นนันหนึ่งถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมอนิธารมอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คงที่แม้ในลาบคงที่ในความเสื่อมลาบเรียกว่าตอนได้กับตอนเสียเนี่ยไม่ต่างกันคงที่เสมอคงที่แมในยศในความเสื่อมยศเนี่ยนะเข้ามาประชุม ก, กันกับเข้าจากไปเนี่ย ใจเสมอกัน น, นะคงที่ในสรรเสริญและนินทาเนี่ยนะคนเดียวกันมาชมกับคนเดียวกันมาด่าเนี่ยความรู้สึกไม่ได้ต่างกันไม่มีอภิชากระโทมนัดเหมือนกัน น, นะไม่เรียกว่าเป็นผู้คงที่ในสุขในทุกเท่ากัน น, นะไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นเนี่ยพระทัยของพระ อ, องค์ก็คงที่เพราะฉะนั้นหากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไร้แขนข้างหนึ่งด้วยของหอมหรือจะถากแขนข้างหนึ่งด้วยมีด พระพุทธเจ้าก็ไม่มีความยินดีในการลูกรูปไร้ด้วยเครื่องหอมนู้นแล้วก็ไม่ทรงยินร้ายในการถากด้วยมีดนั้น น, นะได้รับอารมณ์ที่ดีก็ไม่ไ ม, ไม่โลภะได้รับอารมณ์ที่ร้ายก็ไม่มีโทสะเพราะนั้นพระองค์เนี่ยทรงละความยินดีความยินร้ายคืออภิชาและโทมนัสเสียแล้วทรงล่วงเลยความดีใจความเสียใจเนี่ยนะดีใจด้วยอานาจโลภะเสียใจด้วยอานาจโทสะเนี่ย พระองค์เนี่ยก้าวล่วงความพอใจและความโกรธเสียแล้วนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมนะสํา น, น, สนวนว่าถึงพระองค์เห็นนรกก็ไม่ไม่ได้เสียใจเห็นเทวดาก็ไม่ดีใจอะนะใจคงที่เสมอขนาดนั้นพระองค์เนี่ยเสมอแม้กระทั่งความเป็นและความตายพระองค์จะเป็นหรือจะตายเนี่ยพระไทยก็คงที่ตามเดิมเนะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจวันไว้อะไรซกอย่างเนี่ยนะ ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่พระอัถฐวัสละแล้วอย่างไรก็คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงสละคายปล่อยละสละคืนราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตรนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อน อกุสลาพิสังขารทั้งปวงเพราะพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วสละบาปธรรมสละอกุศลทุกชนิดเดี๋ยนะไม่มีเหลือเนี่ยนะสละหมดแล้วต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะอัตถาว่าข้ามแล้วอย่างไรพระองค์เนี่ยข้ามยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าคือทรงข้ามขึ้นก้าล่วงก้าล่วงด้วยดีล่วงเลยซึ่งกามโมฆะพะโวคะทิโถคะและอวิชโะ โอค่าสนี่ข้ามหมดแล้ว น, นะซึ่งต่างจากเราเลยนะเห็นอะไรมันติดหนับไปหมดเลยนะจมหมดเลยนะเห็นก็จมได้ยินก็จมรู้กลิ่นก็จมเนี่ยนะจมด้วยอํานาจตันหาเนี่ยจมด้วยอำนา จ, นาน จ, นาจกามโมค่าพระโวค่าที่โถค่าวิโชค่านะก็จมกันซะส่วนใหญ่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยข้ามจากโอค่าสี่เหล่านี้หมดแล้วและคลองแห่งสังสาระคือขันธธาตุอายตนะทั้งปวง พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอยู่จบแล้วทรงประพฤติจรณะแล้วทรงดําเนินทางไกลแล้วดําเนินถึงทิศคืนนิพพานแล้วดําเนินถึงที่สุดแล้วคืออรหัตผลเนี่ยนะทรงรักษาพรหมจารย์แล้วทรงบรรลุอุดมทิฏฐิแล้วทรงเจริญมรรคแล้วละกิเลสแล้วมีการแทงตลอดไม่ได้กําเริบมีนิโรธอันทําให้แจ้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกําหนดรู้ทุกละสมุทัยเจริญมรรคทานิโรธให้แจ้งแล้ว ทรงรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งทรงกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ทรงละทำที่ควรละทรงเจริญทำที่ควรเจริญทรงทําให้แจ้งซึ่งทำที่ควรให้แจ้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถอนอวิชานุใสเนี่ยนะอวิชานี่อันเป็นดุดลิ่มสลับออกแล้วทรงเรียรายกรรมเป็นเหมือนขูได้แล้วทรงถอนตันหาเหมือนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีสังโยตเป็นบานประตูเป็นผู้ไกลจากกิเลสอันเป็นข้าศึก มีมาณะดุดธงอันให้ตกแล้วปลงภาราเสียแล้วมีโยคากิเลสไม่ได้เกี่ยวข้องมีนิวรห้าอันล่าเสียแล้วประกอบด้วยฉลังคู่เบขาแล้วอุเบขามีองค์หมีสติเป็นธรรมะเอกเครื่องรักษามีธรรมะเป็นที่พิงพิงอาศัยสี่ประการมีทิฏฐิสัจเนี่ยนะทิฏฐิสัจะก็คือพวกอันตคาหิกะทิฏฐิเนี่ย อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทรงบรรเทาเสียแล้วมีการสแสวงหาอันชอบไม่ย่อหย่อนอันประเสริฐมีความนริไม่ขุนมัวมีกายสังขารระ ง, งับแล้วด้วยฌานสีเนี่นะมีจิตพ้นดีแล้วมีปัญญาพ้นดีแล้วเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษเป็นบุรมบุรุษถึงความบรรลุอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ไ, ไม่ได้ก่อไม่ได้กําจัดกําจัดแล้วดํารงอยู่มิได้ละมิได้ถือมั่นละแล้วดํารงอยู่มิได้เย็บมิได้ยกเย็บแล้วดํารงอยู่มิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วดํารงอยู่ดํารงอยู่เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติยานัทสนขันอันเป็นอเสขะแทงตลอดอริยสัจแล้วดํารงอยู่ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วจึงดํารงอยู่ ดับไฟกิเลสแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพราะไม่ต้องไปคื อ, อความยึดถือเอายอดชัยเนี่ยนะแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่ในความซ่องเสพวิมุตต์ดำรงอยู่ด้วยเมตตาดำรงอยู่ด้วยกรุณาดำรงอยู่ด้วยเมตตามุทิตาอุเบกขาดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตัหาทิฏฐิมานะอันบริสุทธิ์คือไม่แข็งกระด้างเหล่านี้เลย ดำรงอยู่ด้วยความเป็นผู้หลุดพ้นดำรงอยู่เพราะเป็นผู้สันโดดดำรงอยู่โดยส่วนสุดรอบแห่งขันเรียกว่าขันก็มีเป็นขันที่มีในที่สุดธาตุในที่สุดอายตนะในที่สุดคติสุดท้ายอุบัติสุดท้ายปฏิสนธิสุดท้ายพบสุดท้ายสังสารวัตต์สุดท้ายดำรงอยู่ในภพอันมีที่สุดอัตภาพอันมีที่สุดทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะร่างกายอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแหละ สมดังคาถาประพันธ์ที่กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีภพนี้เป็นที่สุดมีอัตภาพนี้เป็นทีหลังมิได้มีชาติมรณะและสังสาระไม่มีภพใหม่นี่แหละเรียกว่าพระองค์เนี่ยข้ามแล้วอย่างนี้เนี่ยนะก็ะเรียกว่าเป็นผู้ข้ามวัตะทุกได้จริงๆนะน่ข้ามกิเลสข้ามสงสารข้ามวัตะแต่ที่ข้ามได้ก็เพราะมีคุณธรรมนะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจึงข้ามได้ ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะพ้นแล้วอย่างไรก็คือพระทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพ้นแล้วพ้นวิเศษพ้นดีพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากความโกรธความผูกโกรธพ้นจากความลบลู่ตีเสมอพ้นจากความริษยาความตนีพ้นจากความลวงความโอ้อวดพ้นจากความกระด้างความแข็งดีพ้นจากความถือตัวความดูหมิ่นพ้นจากความเมาความประมาท พ้นจากกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อน อ, นอกูสลาพิสังขารทั้งปวงอะ่ะพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะพ้นแล้วอย่างนี้